ไม่ทะลทะทล่าไม่อารวาวความตายก็มีอยู่ในทุกขณะลมหายใจของเราแต่และ ว, วินาทีมันมีความตายเกิดขึ้นในร่างกายของเรามีเซลตายวันหนึ่งประมาณ5 0า0มถึงแสล้านเซลหรืออาจจะมากกว่านั้น5้า0มื่ถึงแสล้านเซลนี่เศูนย์ไม่รู้กี่ตัวนะ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 มือเรามันก็จะเป็นมือแบบมือเป็ดเป็นพังผืดเนี่เราก็ต้องขอบคุณหนะ้าที่มันมีความตายเกิดขึ้นกับร่างกายของเราในระดับเซลล์นะไม่ทันยังไม่ทันคลอดออกมาเลยนะความตายก็เกิดขึ้นแล้วแต่ว่าไอ้ความตา ย, ยางี้ยังไม่เป็นไรเพราะว่ามันยังเรายังมีลมหายใจอยู่แต่สักวันหนึ่งก็ต้องตายแบบหมดลมจริงๆ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 ก็มีหลายคนตัดเพ้อว่าทำความดีท้าทำบุญให้ทานรักษาศีลพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็นะกระทินก็ดีผ้าปาก็ดีก็ไม่ไม่เคยขาดเลยแต่ทำไมนะบุญไม่รักษาทำไมทำมากถึงไม่ป้องกันไฟไหม้ก็มีคนต่อตัดเพ้อแบบนี้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 เรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลบพ้นความแก่ไปไม่ได้เรามีความเจ็บไข้ไปธรรมดาจะลบพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมดาจะบวงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะต้องพัดปลากจากของและของชอบใจทั้งนั้นนี่แหละคือธรรมะนี่แหละคือความจริงของชีวิตและของโลกนะถ้าเราน้อมนำธรรมานี้นะมาใส่ใจอยู่เสมอเมื่อมันเกิดขึ้นเราก็ไม่หวั่นไหวง่ายๆนะ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 แต่ถ้าเกิดว่าเราได้ฟังข่าแบบนี้แล้วเนี่ยเราไม่ประมาทเราก็ลองเผื่อใจว่ามันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรก็ได้นะอันนี้เคยทาให้เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันอยู่บ้างนะพอมันเกิดขึ้นก็ก็จะไม่ทุกข์หรือว่าไม่ฟูมฟายจนทั่งหมดเนื้อหมดตัวไอ้ความแบบนี้เนี่ยมันก็โหดร้ายนะแต่ว่ามันก็ ไม่สามารถที่จะป้องกันได้ร้0เ์นะพิจารณาไว้ข้อที่ห้าเนี่ยนะก็สำคัญเหมือนกันนะเป็นเรื่องกรรมนะเรามีกรรมเป็นของตนนะเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นนะเรามีกรรมเป็นของของตนอันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ดีนะเดี๋ยวนี้มีความมีการพูดกันว่าเนี่ยบางทีพ่อแม่รับ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 มีเม็ดข้าวและเม็ดข้าวแล้วมียางแล้วก็เป็นที่ดินที่อุดมก็เกิดนะอันนี้พระเจ้าเปรียบนะให้เห็นว่าเนี่ยมันมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดนะและเหตุปัจจัยหนึ่งนะก็คือกรรมอันนี้ที่เรียกว่ากรรมเป็นดานเกิดเคิรนนี้แต่ว่ามันไม่ได้แปลว่าเกิดจากท้องแม่อย่างเดียวนะไม่ได้เกิดเป็นรูปเป็นร่าง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 นะก็คือว่ามันไม่ไม่มีความสําคัญไม่ว่าว่าเป็นอะไรเลยเพราะว่าไม่มีอุปทานจึงไม่มีภพเกิดขึ้นนะเพราะว่าตัณหาอุปทานมันทําให้เกิดภพเกิดชาตินะอันนี้มันก็มีอยู่แล้วในปฏิจจสมบทบาทตัณหาทําให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดภพภพทําให้เกิดชาติเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีอุปทานก็ไม่เกิดภพอย่างที่พระอาจานี่ท่านบอกว่าพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เป็นเทวดาไม่เป็น